คาถาสรุปข้อ39มณที่แม่น้ำเนรัญชราพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวละกัสปะว่ากัสปะถ้าท่านไม่หนักใจคื่อนี้เราจะขอพักในโรงไฟชดินอุรุเวละกัสปะกราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยข้าพระเจ้าหวังความผาสุขจึงห้ามท่านว่าที่โรงไฟนี้มีพญานาคเป็นสัตว์ดุร้ายมีฤทธิ์มาก เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามันคงไม่ทำร้ายเรากสปะท่านโปรดอนุญาตโรงไฟเถิดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชดินรุเวลากสปะได้อนุญาตให้แล้วไม่ทรงขั้นคล้มทรงปราศจากความกลัวเสด็จเข้าไปพญานาคเห็นพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณเสด็จเข้าไปก็ไม่พอใจจึงบังหวนขวัญ ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงเป็นมนุษนาคดมีพระไทยชื่นบานมีพระไทยไม่ขัดเคืองก็ทรงบังหวนควันในโรงไฟนั้นส่วนพญานาคทนการลบหลู่ไม่ไหวจึงพ่นไฟราวกับไฟไม่ป่าสู้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงเป็นมนุษนาคทรงฉลาดในเตโชกสินทรงพวงไฟสู้บ้าง เมื่อทั้งสองฝ่ายโผงไฟขึ้นเรือนไฟก็ลุกโรงชดช่วงดุดทะเลเพลิงพวกชชดินกล่าวกันว่าแน่ผู้เจริญมหาสมณะรูปงามคงจะถูกพญานาคทำร้ายเป็นแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปเปลวไฟของพญานาคถูกทำร้ายส่วนเปลวไฟหลากสีของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฤทธิ์ยังอยู่พระรัศมีหลากสีคือสีเขียวสีแดงสีแสดสีเหลือง สีแก้วผลึกปรากฏที่พระกายของพระอังคีรศพระผู้มีพระภาคทรงจับพญานาคขดลงในบาทแล้วทรงแสดงแก่ชัดินอุรุเวละกัสป่าว่าท่านกัสป่านี่พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราได้แล้วขณะนั้นชัดินอุรุเวละกัสป่าเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหารินี้ของพระผู้มีพระภาคยิ่งนัก แล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะโปรดประทับอยู่ที่นี้แหละข้าพเจ้าจะบำรุงพระองค์ด้วยพัฒหารประจําปฏิหารที่หนึ่งจบ